พระธรรมตามพระใจปีดกครั้งที่หนึ่งเจด้วยลูกผู้ชายที่มีรูปร่างแข็งแรงนี้เราบรลุสัพพัญยุตยานแล้วจะให้เราชนมากมายข้ามฝั่งเราตัดกระแสน้ำคือสงสารทำลายพบทั้งสามแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาจักให้มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาข้ามฝั่ง โอ้ท่านถึงฝั่งแล้วล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราถึงฝั่งแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ถึงฝั่งเราตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ตรัสรู้ก่อนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็เลยอาศัยกรุณานเหล่านี้ที่ตั้งใจไว้แต่เดิมนี่แหละก็ทําให้พระองค์เนี่ยทรงเที่ยวสแสดงธรรมไม่เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยนะพระองค์เนี่ยทั้งขึ้นเขาทั้งลงน้ําทําทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะช่วยหรือขนสัตว์นะถ้าเราศึกษาพุทธประวัติดีๆจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปในที่ทุกหนทุกแห่ง เปลี่ยนที่หลับที่นอนเนี่ยโอ้ยเกือบทุกวันนั่นแหละเพื่อที่จะไปช่วยว่าเจะไปช่วยสงเคราะห์สัตว์นั้นได้อย่างไรอย่างเงี้ยนอนโคนไม้ก็มีนอนผ้าคันตะกุตีก็มีนั่งกลางแจ้งตลอดทั้งคืนก็มีนะพระองค์เนี่ยใช้อิริยาบททุกอิริยาบทเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์เหล่าสัตว์แล้วทีนี้ท่านก็ที่บายว่าก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่จะสําเร็จได้เพราะประมวลธรรมะแปดประการ ใครอยากเป็นพระพุทธเจ้านะักทีแรกเลยนะประมวลธรรมะให้ได้แปประการก่อนแปประการคืออะไรหนึ่งมนุสสตังความเป็นมนุษย์หนึ่งจะต้องเป็นมนุษย์นะสองลิงคะสัมปติต้องถึงพร้อมด้วยเพศต้องเป็นเพศชายสามเหตุคือต้องมีเหตุ 4. สี่ศรัทธาทัศนังต้องเห็นพระาศาสดาคือเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าปปชาการบวชแล้วก็หก ภุณะสัมปติต้องสมบูรณ์ด้วยคุณคือพิญญาห้าเนี่ยนะและก็อธิกาโรต้องกล้าสละชีวิตแบบสุเมศสละเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยและก็ฉันทะตาต้องมีความพอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อธิบายว่าจริงอยู่เมื่อบุคคลดำรงอยู่ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์นั่นแหละปราถนาความเป็นพระพุทธเจ้าความปราถนาย่อมสาเร็จ ความปรารถนาของนาคครุดหรือเทวดาหาสําเร็จไม่ข้อหนึ่งเนะี่ยต้องเป็นมนุษย์นะผู้อื่นจะไปตั้งความปรารถนายังไม่ได้แม้ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เมื่อเขาดํารงอยู่ในเพศบุรุษเท่านั้นความปรารถนาจึงจะสําเร็จความปรารถนาของหญิงหรือบันเดาะกระเทยและอุปโตพยัญชนก็หาสําเร็จไม่อันนี้ข้อสองนะข้อสองต้องเป็นมนุษย์ ข้อสามบอกว่าแม้สําหรับบุรุษความปรารถนาของผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุที่จะบรรลุอรหัตเหตุในที่นี้ก็คือจะบรรลุเป็นธาตุฐานตรงนั้นได้แม้ในอัตภาพนั้นเท่านั้นจึงจะสําเร็จนอกนี้หาสําเร็จไม่ข้อสามข้อเนี่ยจะบรรลุขณะนั้นเลยก็ได้ถ้าปรารถนาะข้อสี่บอกว่าสําหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุถ้าเมื่อปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ความปรารถนาจึงจะสําเร็จเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเมื่อปรารถนาในที่ใกล้เจดีหรือที่โคนต้นโพก็หาสําเร็จไม่ข้อแม้อีกก็ต้องต่อหน้าพระพุทธเจ้าอย่างเดียวข้อต่อไปอีกบอกว่าแม้แต่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในสํานักพระพุทธเจ้าความปรารถนาของผู้ที่ดํารงอยู่ในเพศบรรปะชิตเท่านั้นจึงจะสําเร็จต้องบวชนะทำไมบวชยังก่อนยังอย่าเพิ่งต่อไปอีก แม้แต่ผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศครหัสนี้ไม่ไม่สามารถบรรลุได้แม้แต่ผู้เป็นบรรปชิตคือนักบวชเนี่ยนะความปรารถนาของผู้ที่ได้อภิญยาห้าและสมาบัตแปดเท่านั้นจึงจะสาเร็จผู้ที่เว้นจากคุณสมบัตนอกนี้หาสำเร็จไม่โอ้ข้อแม้อีกต้องมีิญญาห้าสมาบัตแปดอีกแม้แต่ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณคือภอิญยาห้าสมาบัตแปดแล้วก็ตาม ความปรารถนาของผู้ที่ได้กระทําการบริจาคชีวิตของตนแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยการกระทําอันยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นจึงจะสําเร็จนอกนี้หาสําเร็จไม่จะต้องกระทําที่ยิ่งใหญ่นะกล้าสละชีวิตให้พระพุทธเจ้าได้แม้ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยการกระทําอันยิ่งใหญ่แล้วยังต้องมีฉันทะอันใหญ่หลวงปุตสาหพยายามและการสแสวงหาอันใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่ธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกความปรารถนาจึงจะสําเร็จคนนอกนี้หาสําเร็จไม่จะต้องมีคุณธรรมอย่างที่ว่ามีใจรักในในโพธิญาณอย่างจริงจังเหมือนั้นเดียจริงจังแล้วก็จริงใจเต็มที่นั่นแหละจึงจะได้อธิบายเพิ่มเติมพิเศษในข้อว่ามีใจรักเนี่ยนะหรือมีความพอใจอย่างเต็มที่นี่คือในข้อที่ฉันท่าจะต้องยิ่งใหญ่นั้นมีข้ออุปมาดังต่อไปนี้ ก็ถ้าจะพึงเป็นไปอย่างนี้ว่ามีคนมาพูดอย่างนี้นะพูดว่าผู้ใดสามารถที่จะใช้กำลังแขนของตนข้ามห่วงแห่งจั ก, กรวาลทั้งสิ้นที่เป็นน้าผืนเดียวกันหมดถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุ ค, ความเป็นพระพุทธเจ้าได้จักรวาลทั้งหมดมีแต่นะ้ำจะใช้กำลังแขนนี่แหละว่ายข้ามให้ได้ถ้ามีใจเต็มขนาดนี้จึงจะจึงจะได้ลนะ ใจนี่ต้องเต็มขนาดนี้มั้งันหรือว่าผู้ใดเดินด้วยเท้าสามารถที่จะเหยียบย่ำห่วงแห่งจั ก, กรวาลทั้งสิ้นที่ปกคลุมด้วยกอไผ่แล้วถึงฝังได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้มีแต่กอไผ่อ่ะซึ่งมันรกชัดไปหมดเลยเนะี่ยเท้าเปล่าเนี่ยแหละจะเดินข้ามให้ได้อะถ้าใจเต็มร้อยขนาดนั้นจึงจะได้ถ้าใจเนี่ยนะ เก้าสิแด้าสิบเจ็ดลดมาเหลือหนึ่งอนี้อดแน่ไม่ได้ใจไม่พอว่างั้นกำลังใจต้องได้ต่อไปหรือว่าผู้ใดปักดาบทั้งหลายลงแล้วเอาเท้าเหยียบห่วงแห่งจักรวาลทั้งสิน้นซึ่งเต็มไปด้วยฝักดาบสามารถที่จะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้โหดาบนี่มาตั้งตั้งมีแต่แหลมของคมเนี่ยเป้มทั้งจักรวาลเดินเยียบผ่านได้อะโอ้ใจเกินร้อยนะถ้ายัางเงี้เกินร้อยแล้วไม่ร้อยแล้วนะ ทีนี้ต่อไปอีกบอกว่าหรือว่าผู้ใดเอ า, ทาเท้าเหยียบย่ำห่วงแห่งจักรวาลทั้งสิน้นซึ่งเต็มไปด้วยฐานมีเปลวเพลิงลุกโชดช่วงสามารถที่จะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้ก้อนเหล็กแดงๆเนี่ยนะเต็มทั้งหมดห่วงจักรวาลเนี่ยนะแต่ถ้าจากนี้ไปกรุงเทพเขายังชั่วหน่อยก็ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่หแต่นี่จักรวาลทั้งหมดนะผู้ใดไม่สาคัญเหตุเหล่านั้น แม้เหตุหนึ่งว่าเป็นของที่ตนทํำได้ยากแต่คิดว่าเราจะข้ามไปนะเราจะข้ามหรือจะไปถือเอาซึ่งฝั่งหนึ่งจนได้สบายมากเดินผ่านได้คิดดูนะใจนี่เหมือนมหาชนกใช่ไหมโอ้ทะเลนี่ยังจะว่ายข้ามเอาดิเราเคยว่ายน้ําข้ามคลองแต่ท่านว่ายน้ําข้ามทะเลไงใจต้องขนาดนั้นน่ะ ดังนี้เขาผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยฉันพระอุตสาหะความพยายามและการสแสวงหาอันใหญ่ความปรารถนาของเขาสําเร็จคนนอกนี้หาสําเร็จไม่นะถ้าใจไม่ถึงขนาดนี้นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ใจไม่ถึงว่างั้นสีมืออาจจะมีแต่ว่าใจไม่พอว่างั้นใจไม่ถึงว่างั้นไอ้ข้อสุดท้ายนี่สําคัญนะไม่แต่ยาว่านะเพิงกัดข้อหนึ่งมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายนะเพราะฉะนั้นไอ้ความปรารถนาเนี่ยนะ ความปรารถนาหรืออภินิหารเนี่ยนะต้องมีคุณนะสมบัติแปดประการนี้รองรับจึงจะสำเร็จก็สุมเมธดาบทแม้จะประมวลธรรมะทั้งแปดประการเหล่านี้ได้แล้วก็ยังทำความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เพื่อความเต็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นอนลงฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรเสด็จมาประทับยืนที่เบื้องศีรษะของสุมเมตดาบทพระองค์ก็เสด็จมาพอดีขณะที่เขาวาลังนอนลงเนี่ย ทรงลืมพระเนตรทั้งสองอันสมบูรณ์ด้วยประสาทะมีวันละห้าชนิดประหนึ่งว่าเปิดอยู่ซึ่งสีห์บัญชรแก้วมณีทอดพระเนตรเห็นสุเมตดาบทนอนหลังเปลือกตมทรงด âm ิตว่าความด âm ฤตของพระพุทธเจ้านะพระองค์คิดว่าดาบทนี้กระทาความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาของเขาจากสําเร็จหรือไม่หนอ ทรงส่ ง, งพระอนาคตังสยานใคร่ครวนอยู่พระองค์นี้ใช้สัพพัญยุตยานเกี่ยวกับอนาคตังสยานเนี่ยคำานึงเลยว่าบรรลุไหมทรงทราบ ว, ว่าล่วงสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับนับแต่นี้เขาจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมพระ อ, าาองค์ก็ยังประทับยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละทรงพยากรพยากรก็คือการทักทายนั่นเองหรือการบอกเลยการทานายว่า พวกท่านจงดูดาบทผู้มีตบะสูงนี้ซึ่งนอนอยู่บนหลังเปื่อยตมพิสุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าดาบทนี้กระทําความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านอนแล้วความปรารถนาของเขาจักสําเร็จในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนับแต่นี้เขาจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ก็ในอัตภาพของเขานั้นพระองค์ก็ทานายไว้เมื่อเสียสงไขยทีแล้วนะว่าชีวิตความเป็นอยู่ในศาสนาของพระองค์นี่เป็นยังไงว่าในอัตภาพของเขานั้นนครนามว่าพระนครพระนาวกบิลพัฒจักเป็นที่อยู่อาศัยพระเทวีทรงพระนามว่ามหามายาเป็นพระมารดาพระราชาทรงพระนามว่าสุโธธนะเป็นพระราชบิดาพระเทระชื่อว่าอุปติสสะเป็นอัครสาวก อุปติสาก็คือพระสารีบุตรชื่อจริงๆของท่านชื่อว่าอุปติสก์แต่แม่ของอุปติสก์ชื่อว่าสารีก็เลยชื่อว่าสารีบุตรเหมงอนกันบุตรของนางสารีนั่นเองอย่างโมฆลลานะเนี่ยก็คือบุตรของนางโมคฆลีพรามก็เลยชื่อว่าโมฆลลานะแต่ชื่อจริงๆท่านชื่อว่าโกริตะนะพระมหาโมฆลลานะเนี่ยพระเทราชื่อว่าโกลิตะเนี่ ย, ะะ เ, ย, ว ย, ว เ, ยเป็นอัครส า, าวกที่สองพุทธะอุปถาชื่อว่าอานนท์ พระเทรีพนาว่าเขมาเป็นอัครส า, าวิกาพนางเขมาก็คืออดีตมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเป็นทาสหันก่อนบวตแต่ว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญามีพระเทรีพนาว่าอุบลนวา น, นาเป็นอัครส า, าวิกาที่สองนี่ก็พยาการเข้าคร่าวว่างั้นเขามีญาณแก่กล้าแล้วออกมาหาพินเนสกรมตั้งความเพียรอย่างใหญ่เพียรไม่ธรรมดานะตั้งหกปีอะ รับข้าวปายาที่โคนต้นใส่เสวยที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราขึ้นสู่โพธิมณฑลจับตรัสรู้ที่โคนต้นอัศทะพฤกก็คือต้นโพใบนะต้นโพใบนั่นเองคําว่าต้นโพเนี่ยนะก็คือต้นไม้เป็นที่พระพุทธเจ้านั่งแล้วบรรลุสัพพัญญุตญาณหรือบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะที่ต้นใดต้นนั้นเรียกว่าต้นโพจริงต้นไม้ไม่ได้ตรัสรู้อะไรหรอกแต่ว่าไอโพธิแปลว่าความตรัสรู้ใช่ไหม เป็นชื่อของอรหัตตมัคหรือเป็นชื่อของสัพพัญญุตยานพระพุทธเจ้านั่งที่โคนต้นนี้แล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็เลยเรียกต้นนี้ว่าต้นตรัสรู้ต้นโพก็คือต้นตรัสรู้นั่นเองไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าแต่ละองค์นี้ตรัสรู้ต้นไม้ไม่เหมือนกันนะบางองค์ตรัสรู้ด้วยต้นอย่างอื่นก็มีเจนต้นเลียบอย่างเงี้ยองค์นี้ตรัสรู้ที่ต้นโพใบเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนามวาทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งซึ่งโลกผู้ทรงรับเครื่องบูชาประทับยืนณเบื้องศีรษะได้ตรัสคํานี้กับเราว่าพวกท่านจงดูดาบทผู้เป็นชดินมีตะบะสูงนี้เขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกับที่นับไม่ถ้วนแต่กับนี้ที่ดูนะว่าหนึ่งกับเนี่ก็ยาวอยู่แล้วใช่ไหมเอากับหนึ่งมาตั้งเลขศูนห้อยท้ายร้อยสี่ิบตัวเรียกว่าหนึ่งอาสงไขยยังไงว่างับนับไม่ถ้วนจริงจริงนะ เขาเป็นตถาคตเป็นตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะจะออกจากนครชื่อว่ากบิลพัั น, น่ารื่นรมตั้งความเพียรกระทาทุกระกิรรยานัน่งที่โคนต้นอาชะปาระนิคโครตะคองเข้าปลายาตไปยังฝั่งแม่นม้ำเนรัญชาราในที่นั้นพระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงถือข้าปลายาตไปที่ฝั่งแม่นาม้าเนรัญชารา เสด็จถึงโคนต้นโพโดยทางที่เขาแต่งไว้ดีแล้วลำดับนั้นพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพยศใหญ่มิมีใครยิ่งกว่ากระทำประทักษิณโพทิมณฑลแล้วจักตรัสรู้ที่โคนต้นโพพระมารดาผู้เป็นพระชนนีของเขาจะมีนามว่ามายาพระบิดาจะมีนามว่าสุธโธธนะเขาจะมีนามว่าโคตมะ โคโดมะนะโคโดมก็คือโคตะมโคดนั่นเองพระโกลิตะและอุปติสะจักเป็นอัครสาวกผู้หาอาสวะมิได้ปราศจากราคะแล้วมีจิตอันมั่นคงอุปถากนามว่าอนนท์จักเป็นอุปถากของพระชินเจ้านั้นทนายเขยมาและนางอุบลวันนาจักเป็นอัครสาวิกาผู้หาอาสวะมิได้ปราศจากราคะแล้วมีจิตสงบตั้งมั่น ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงเรียกกันว่าอสสัตถพฤกก็คือโพใบนั่นเองสุมเมศดาบทพอได้ฟังก็เกิดโสมนักว่าในยะว่าความปรารถนาของเราจักสำเร็จดังนี้โอ้ปลื้มใจแล้วตั้งความปรารถนามีคนพยากรณ์ว่าโอ้เสร็จแน่มหาชนได้ฟังพระดำรัสของพระทศพลทีปังกรแล้วต่างก็พากันร่าเริงยินดี ในยะว่าสุเมตดาบทเป็นพืชแห่งพระโพธิสัตว์พืชในที่นี้ก็คือหนอพุทธางกูล น, นะนะังกุระเนี่ยแปลว่าหนอหนอของพระพุทธเจ้าว่างั้นหนอแห่งผู้ตรัสรู้เป็นหนอแห่งพระพุทธเจ้าและพวกเขาเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าธรรมดาว่าบุรุษเมื่อจะข้ามแม่น้ําไม่สามารถข้ามโดยท่าโดยตรงได้เขาย่อมข้ามโดยท่าข้างใต้ฉั้นใด แม้พวกเราก็เหมือนฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ได้มักและผลในศาสนาของพระทศพลทีปังกรในการใดในอนาคตท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าในการนั้นพวกเราพึงสามารถกระทำให้แจ้งซึ่งมักและผลในที่ต่อหน้าของท่านดังนี้โอ้ไม่ได้บรรลุในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ขอบรรลุในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์หน้ากันแล้วกันนะ เหมัอนของเราเนี่ยนะกค็คุยกันไม่ได้บรรลุองค์นี้ก็รอพระศรีอารกันแล้วกันไปถึงพระศรีอาร น, นิกไม่ได้ก็รอองเราไปรอไปรอมาสเบียงทักหมดไปเรื่อยเรื่อยเรยเลยไปไม่ได้เลยกันเนี้ยขณะที่รอเนี่ยพยายามทํำสเบียงไม่ด้วยเน้อเสร็จแล้วท่านเหล่านั้นก็ต่างพากันตั้งความปรารถนาไว้ท่าไม่ได้บรรลุในองค์นี้จะไปขอบรรลุในองค์หน้าว่างั้น แม้พระทศพลทีปังกรสารเสริญพระโพธิสัตว์ทรงบูชาด้วยดอกไม้แปดกำมือคือชีวิตในช่วงนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพนางพิมพานะนะพะนางยะโสธราพิมพาก็จะมาเกี่ยวข้องกับสุเมธดาบทตรงนี้แหละก็เอาดอกบัวมาให้สุเมธดาบทบูชาพระพุทธเจ้านะก็แบ่งกันบูชาแล้วก็ตั้งความปรารถนาะตั้งการนั้นมาก็เจอกันมาเรื่อยพนางพิมพานี่ในในยโสธราพิมพา ในคำพีอปิธานเนี่ยกล่าวไว้ว่าก็มาเจอกันตรงนี้น น, นแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็ทำบูญคู่กันมาตลอดก็จะมีในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องแต่ตรงนี้ก็เอาแต่ผู้ชายอย่างเดียวเพราะนะแม้พระขีนาศพนับได้สี่แสนต่างก็พากันบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นกระทาประทักษิณแล้วหลีกไปพระโพธิสัตว์ลุกขึ้นจากที่นอนในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแล้ว คิดว่าเราจะตรวจตราดูบารมีทั้งหลายจะตรวจดูบารมีก็คงไปตรวจอาทิตย์หน้ากันแล้วกันอทิตนี้ไม่ตรวจละพระองค์นี้สรรเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่าเพราะว่าการปฏิบัติบูชานั้นสามารถที่จะทําให้พ้นจากทุกได้ถ้าจะบูชาจริงๆเคารพรักองค์จริงๆเนี่ยพระองค์แนะนําให้บูชาด้วยการปฏิบัติแต่ไม่ได้กล่าวว่าการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมไม่มีผล องไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ยังมีการบูชาที่ดีกว่ายิ่งกว่าและก็ชื่อเป็นการบูชาอย่างนี่นนคือการปฏิบัติอันนี้อยู่ในมหาปรินิพานสุดข้อความใกล้ๆที่พระองค์จะดับขันปรินิพานและพระองค์ตรัสกับพระอานนุ์ว่าควรจะบูชาด้วยปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพานได้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธอามิดบูชาไม่ได้ปฏิเสธอะไร เพียงแต่ว่ายังมีดีกว่านั้นท่านบอกว่าถ้าไม่บรรลุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็จะรอบรรลุในศาสนาพระโคดมอ่ะ น, นะคือไอ้ข้าตรงเฉพาะหน้าไม่ได้อ่ะรอท่าหลังกันแล้วก <c ười> <c ười> ันคือบรรลุพระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ได้ก็จะคอยบรรลุองค์เนี้นะพวกเรารู้เปล่ปาไม่รูนะ้เนาะจะคอยมาบรรลุองค์เนี้ <c ười> องค์นั้นไม่ได้บรรลุจะรอองค์หน้ากันแล้วกัน แต่เมื่อใดบุคคลกล่าวสารเสริญพระพุทธคุณโดยเป็นภาษาที่คนเข้าใจเขารับไม่ได้เขานับถือพระธรรมแต่เมื่อใดที่คนพูดพระธรรมเขาจะรังเกียจเขานับถือพระสงค์แต่ถ้าหากว่ามีคนจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะวินัยเมื่อไรเขาชิงชังเรารู้เลยว่าเขานี้เสื่อมจากาศาสนาเนี่ยนานแล้วเขาเสื่อมจากาศาสนานานแล้ว พันสิ่งที่เขาทําก็คือรูปแบบแบบฟอร์มที่โบราณได้วางเอาไว้เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นการสวดพระพิธรรมในงานศพการสวดพระพิธธรรมในงานศพนั้นเป็นรูปแบบเป็นแบบฟอร์มที่โบราณอาจารย์วางไว้เท่านั้นเองแต่ความเข้าใจเนื้อหาในพระธรรมเหล่านั้นน้อยเต็มทีน้อยเต็มที นั้นสิ่งที่เขาว่าเขานับถือเนี่ยตรงกันข้ามเขาไม่มีความเข้าใจเลยแม้แต่อย่างเดียวเขาไม่มีความเข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าคือใครเขาไม่มีความเข้าใจเลยว่าพระธรรมคืออะไรไม่รู้เลยว่าพระสงฆ์คือใครเสร็จแล้วอาศัยมรดกคําสอนที่เหลือนี้คนก็เอามาทำการค่ากันมาสแสวงหาลาบสการะสแสวงหาชื่อเสียงสแสวงหาทุกอย่างแสวงหาปัจจัยสิ่ง โดยมีพระธรรมคำสอนนี่แหละเป็นเป็นสะพานให้แก่เขาเสร็จแล้วเขาก็มาในคราบของนักบุญ ส, ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นทุกข่ายทุกรัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยขัดแย้งซึ่งกันและกันแล้วไม่มีข่ายใดยอมรับว่าตัวเองผิดด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดจะอยู่ที่ข่ายของตัวเองแต่ว่าในกลุ่มส่วนเหล่านั้ น, น, นส่วนใหญ่ก็ทิ้งพระรัตนตรัยตั้งแต่ต้นแล้ว ที่กล่าวว่าเขาทิ้งพระรัตนตรัยเนี่ยนะเราไปถามดูเถอะว่าถ้าเราถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครเขาจะตอบอย่างไรนั่นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกถึงว่าเขาเข้าใจพระรัตนตรัยขนาดไหนถ้าเราถามเขาว่าพระธรรมคืออะไรพระธรรมที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเอาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแล้วลองถามเขาดูเถอะพระพุทธเจ้าคือใครทุกคนจะบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้า ถามว่าคําพูดนี้ถูกไหมเขาสับสนเขาเห็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเขาเห็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้สแสวงหาโพธิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาเข้าใจผิดขนาดนั้นแล้วและเขาเข้าใจพระธรรมก็เข้าใจผิดพระธรรมที่เขาเข้าใจนั้นไม่รู้เขาเข้าใจอะไร เขาไม่ได้เข้าใจว่าพระธรรมที่เขานับถือจริงๆคือปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานอะไรที่เป็นพระธรรมของเขาเขาเข้าใจว่าอย่างอื่นนอกจากนี้เป็นสารณะของเขาเป็นที่พึ่งของเขาบางท่านกับแม้กระทั่งว่าสำนวนแทบจะนับถือปัทวีธาสนั่นแหละเป็นสารณะด้วยซ้ําไปเพราะความเข้าใจผิดจากพระธรรมแล้วพระสงฆ์ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคือใครด้วย เมื่อบุคคลไม่รู้จักพระพุทธเขาจะไม่รู้จักพระธรรมเมื่อไม่รู้จักพระธรรมเขาจะไม่รู้จักพระพระสงค์โดยไม่ใช่ฐานะเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงค์นั้นจะว่าเป็นอันเดียวกันก็อันเดียวกันเพราะพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจพระธรรมคำสอนประกาศอริยสัจพระสงฆ์คือกลุ่มคนที่เข้าถึงอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคผู้แทงตลอดอริยสัจไม่รู้จักคำสอน เขาจะรู้จักพระสงฆ์ได้อย่างไรฉะนั้นเขาจึงไม่รู้จักพระรัตนตรยัยเมื่อเขาไม่รู้จักพระรัตนตรยัยชีวิตอยู่ในโลกของเขาไม่มีผู้นำแล้วเขาเป็นคนบอดจริงๆเขาบอดตาใสา่บอดที่ไม่มีโอกาสรู้ตัวด้วยเหมือนกับหมูสัตว์ยกตัวอย่างว่าสัตว์ในอบายบางเหล่าไม่มีโอกาสสำนึกตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยจะไปไหนเราลองไปถามปลาในทะเลถ้ามันพูดได้เข้าไปไหน เข้ามาหาอะไรส่วนใหญ่เขาคือสแสวงหาอาหารการกินเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆหมู่ชนในยุคนี้ก็เหมือนกันแล้วโลกกำลังจะเข้าสู่โลกแห่งความเสื่อมข้อความในจกักรวติสูตรกล่าวถึงความเป็นไปของโลกโลกยุคนี้เสื่อมโดยเฉลี่ยแล้วคนอายุประมาณ75ปีตายยุคต่อๆไปก็จะลดไปเรื่อยๆจนถึงกับว่า คำว่ากุศลกรรมบทเนี่ยคนจะไม่รู้จักกุศลคืออะไรคนจะไม่เคยได้ยินไม่ต้องกล่าวถึงการทำกุศลอันยุคก็จะเข้าสู่ยุคมืดมืดมืดมืดมืดไปเรื่อยๆแล้วผู้ศาสนาก็จะเริ่มหมดจากจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายไปไปไ ป, ไ ป, ไปถึงจะมีการจารึกคำสอนไว้ในแผ่นหินในหินอ่อนขนาดไหนก็ตามถ้าพระธรรมไม่เข้าถึงใจคนนะก็จะหมดไปเหมือนอักษรชนิดหนึ่งที่มาจารึก เพราะว่า น, นั้นก็คื อ, อวินิพุทธครูปเท่านั้นเองเพราะการถึงพระรัตนตรายไม่ใช่อวินิพุทธครูปแต่เป็นมหากุสลจิตที่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระรัตนตรายแต่พระรัตนตรายเหล่านั้นจะหมดแ้วที่ว่าหมดเพราะเมื่อการกล่าวยกย่องถึงพระรัตนตรายนั้นคนไม่มีศรัทธาแต่ถ้ากล่าวยกย่องบางคนเนี่ยคนเนียตื่นเต้นมากเราสังเกตนะอย่างคำสองคำเนี่ยนะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคนพูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าในกลุ่มนั้นกับเอ่ยชื่ออาจารย์นะในกลุ่มนั้น น, นเนี่ยนะคนจะเกรงใจอาจารย์เนี่ยตัวรีบเลยเมื่อเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะชเฉยๆอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาแต่ถ้าอาจารย์ปั๊บเนี่ยนะโอ้โหโสมณัสเวทนาคนละเวทนาเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเอาื้อมิตรหมายเหล่านี้เป็นความเสื่อมของคําสอนแล้ว เพราะฉะนั้นถึงเขาทําขนาดไหนก็ตามเมื่อเขาไม่เข้าใจพระรัตนตรัยยิ่งทําไปเท่าไหร่ก็ยิ่งนอกทางไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการกระทําเหล่านั้นแหละคือเป็นเหตุให้ผู้ศาสนาหมดไปจากใจคนนั้นๆกลุ่มชนนั้นๆแล้วในที่สุดคําสอนก็อันจะทานไปจากโูกเพราะว่าเฉพาะส่วนตัวของตมาเองถ้าถามว่าเริ่มรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็บอกว่าเริ่มรู้จักไม่นานนี่เอง พราะเมื่อก่อนนี้คําว่าพระพุทธเจ้าคือใครเนะยเราจะบอกว่าเ อ, อ๊ะก็จะชายศิทาก็ตอบเป็นพระโพธิสัตว์แทนถ้าพุทธเจ้าแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถามได้รู้อะไรไม่รู้นั้นถ้าไล่เข้าจริงๆนะแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่รู้เลยจะกล่าวไปยายถึงคําสอนเพราะฉะนั้นใครไปทําอะไรมาก็นึกว่านั่นแหละเอาถวายพระผู้มีพระภาคว่านี่คือของพระพุทธเจ้าหมดเลย อันโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าก็เลย บ, บอดชี้และเคยได้ยินนะโบราณว่าไม่รู้ไม่ชี้แต่ตอนนี้คนไม่รู้ชี้ซะส่วนใหญ่เมื่อคนไม่รู้ชี้เนี่ยมายังจําได้เลยครั้งหนึ่งไปบินทบาทอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งอไปบินทบาทในตลาดนี่เราก็พักอีกแข่งหนึ่งใช่ไหมก็เดินไปบินทบาทตอนที่ไปเนี่ยร้านค้ายังไม่เปิดพอค้ากลับเนี่ยร้านค้าเปิดเราเลยหลงทางเลยครับนี่ก็ปไปถามว่าเออนี่ ทางไปเทศบาลเนี่ยอยู่ตรงไหนพอไปวางข้าวของไว้ที่เทศบาลแนละ้วเข้าไปวินธบาทในเมืองในตนลาดเขาบอกว่าทางโ น, น้นท่านเขาว่าไงนะเราก็ไปไปเป็นกิโลเอ๊ะทาไมไม่ถึงสักทีเราไม่ได้มาไกลขนาดนี้ไปถามเขาก็บอกว่าทางโ น, น้นแหละท่านเอออย่างเง้ยเลยมาต่างไกลแล้วก็เราไปคนละแห่งเลยอ่ะโหผิดขนาดนั้นนแหละมันคนไม่รู้ชี้เนี่ยลําบากแล้วถามเหอะใครมั่งที่ไม่เป็นผู้รู้ และไม่เคยมีสามัญยสัมนึกว่าเรายังไม่แทงตลอดอริยสัจสามัญยสัมนึกอันนี้แทบไม่มีเลยว่าไอสิ่งที่เราชี้เนี่ยนะโดยสับโดยพยายชนะเท่านั้นเองอริยสัจก็ยังไม่แทงตลอดเมื่ อ, อริยสัจไม่แทงตลอดก็สำคัญหมายในวาทที่ตัวเองพูดเพราะฉะนั้นบุคคลใดพูดคาใดออกมานั่นคือตัวแทนของเขาเขายึดถือในสิ่งที่เขาทาคาที่เขาพูดมาก แต่เขาไม่ได้เทียบเพียงกับคําสอนเลยว่าแม้แต่มหากุศลก็ไม่เที่ยงเขาลืมนึกไปว่ามหากุศลก็ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญกุศลแต่ไม่ได้สอนให้สําคัญหมายในในมหากุศลด้วยอานาจตันหามานะและทิฐิเพราะฉะนั้นจะเริ่มออกนอกทางไปเรื่อยเรื่อยเรยเรเรยของในกลุ่มเรารู้สึกเริ่มใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราเริ่มมาศึกษาพระพุทธคุณขึ้น เราเริ่มรู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะว่าอิทะตถะคโตโลเกอุปปันโนพระตถ า, าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คำว่าพระตถ า, าคตหมายความว่าอย่างไรคุณพิธนุช่วยอธิบายหนะ่อยพระตถ า, าคตหมายความว่าอย่างไรพระอาจารย์ให้ผมอธิบายตถาคตผมยิ่งไม่รู้ใหญ่เลย <laughs> เพราะตัวเองนี่อ ยอมรับว่าไม่ค่อยจะมีความเข้าใจเท่าไหร่นักนะฮะถ้าให้ตอบตามความเข้าใจที่ตัวเองสามารถที่จะเข้าใจได้นะฮะตถาคตตถาคตโตโลเกอุปนก็คือาอาจารย์ตรงชัยเอาตำรามาให้ดูนะครับก็คือที่เข้าใจอยู่กัเพื่อเป็นผู้ที่เสด็จไปแล้วด้วยดีทีนี้ว่า พอดีถ้าอาจารย์ธงชัยเอาตำราพระเสด็จไปแล้วนั่นคือเสด็จอย่างไรเนี่ยอันนี้แหละครับก็ต้องตอบตามธรรมาถ้าความเข้าใจของตัวเองคงจะไม่ถูก น, นิดเดียวเข้าใจนิดเดียวก็คือพูดที่เสด็จไปแล้วด้วยดีถ้าว่าเสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นเพราะเสด็จมาสูลักษณะ